มิหขนตะาั้งธรรม ทุกท่านที่มีเกลียดมียศทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็หวังเพื่ออยากจะทราบคําคสอนของพุทธศาสนาว่าเท้จริงเพียงใดเพราะในเวลานี้พวกเราก็โลมบานอยู่ว่างเพราะเหตุนใดเพราะเหตุว่าพวกเราชาวพุทธอยู่ห่างเหินพระพุทธศาสนาพวกเราชาวพุทธเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานี่ อยู่ในตัวหนังสือไอ้ที่แท้มันอยู่ในหนังสือใจพวกเรารักษาศีนก็คือรักษาใจของเรานั่นเองก็คือรักษากายของเรานั่นเองก็คือรักษาวาจาของเรานั่นเองพูดเป็นสามถ้าพูดเป็นสองก็คือรักษากายทับใจนั่นเองถ้าพูดเป็นหนึ่งก็คือรักษาใจนั่นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจถ้าเราเอามาไว้ที่ใจก็อยู่ที่ใจ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 ธาตุดินน้ําไฟลงมาชนกันเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่าธาตุสีหรืออริยสัจสถ้าขยายออกเป็นห้าก็เรียกว่าอยู่ในรูปขันเวสนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าขยายออกไปเป็นหกก็อยู่ที่ตาหูจมูกเลื่นกายใจนักถ้าขยายออกเป็นเ็ดก็อยู่สัตวาเจ็ดถ้าขยายออกเป็นแปดก็อยู่รัตถังขีก ร, รมะฆาแปด ถ้าขยายออกเป็นเก้าก็อยู่มัทสีผลสี่นิพพานหนึ่งถ้าขยายออกเป็นสิบก็กุศลกรรมวัฏสิบปะกุศลกรรมวัฏสิบถ้าย่นลงมาก็ลงมาหาใจความดีทั้งหลายเราทําขึ้นทําแล้วก็มาหาใจความชื่อว่าทําขึ้นก็นมาหาใจไม่ได้ไปหาอันอื่นเพราะใจเป็นผู้ทําขึ้นจ่อปฏิเสธไม่ได้ใจย่อมเป็นที่พึ่งของใจ ใจก็เปี่ยนเปลีนใจใจมีคุณเป็นมหันต์และก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําผิดนั่นนั่นนั่นนั่นคืออะไรนั่นใจนี่คือนี่นี่อะไรคือนี่ใจทีนี้บางท่านก็จะวิการหลวงปู่เนอะหลวงปูทําไมสักกลา ย, ลายไม่ใช่นักเพลงโตัวดอกหรือไม่ใช่นักเวียงตัหลอกรัชกาลที่หกสมัยผู้เกิดปีกุนสองพันสี่รอยห้าสิบสี่ เลิกสักขาลายแล้วแล้วก็เลยมาสักแขนเพื่อหมายเพื่อหมายเป็นเพศผู้ชายเขาบอกว่ามึงนี่นิสัยเป็นผู้หญิงมึงต้องไปสักใชเพราะพวกเราไม่สักขาลายพวกเราเว้นแล้วขาลายไม่ได้ักแล้วหมายเพศผู้หญิงสักหึงกูรู้ข้างหลังมึงเหมือนกับคนผู้หญิงสักเพศผู้ชายสะ แต่เมื่อในอยู่ยงคงอพภารน้องปู่ไม่เชื่อเลยอยู่ยงคงอพันารน้องปู่เป็นคนชาวนาะไม่ใช่เป็นคนพ่อค้าไม่ใช่เป็นคนพ่อขายเขาพงวงจะกูลของน้องปู่มีวัดพวกทหารก็มีตำรวจก็มีทหารอย่างสูงก็ผู้บังคับกองตำรวจอย่างสูงก็นายร้อยเอกส่วนผู้ใหญ่บ้านทำงา น, นมาก พวกนักบวชก็มากพวกชาวนาก็มากพวกค้าขายไม่ค่อยมีหลวงปู่เคยมีอาชีพต้มเกรือข้าวขึ้นยุ่งขึ้นฉางแล้วเอต้มเกลืออยู่ในคารวาะพระพุทธศาสนายังอยู่ยังง่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่งคงทียด้วยเพราะพุทธศาสนาพินาศลงชาวพุทธจะอยู่ได้ดือเราก็เหมือนหมดม้อยสุดสิ้นสกูลพุทธใครรานใครรุกร้าวชาวพุทธ กรมอันไม่บริสุทธิ์จะตามถึงตลอดการนานเลยทินีต่อไปพวกเรารักษาศีลจริงรักษาศีลก็คือรักษาตัวเองนั่นเองถ้าชาวโลกไม่ศีนห้าแล้วทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีพวกเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนั่นคุกก็ไม่มีเรือนจําก็ไม่มีอยู่สะดวกสบายยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสําราญมานใจ คำว่าเวทมานีเวรัมานีปาณาทิปาตาเวทัมานีปาณาทิปาตาเป็นข้อห้ามเวทัมานีเว้นแล้วชิกขาประทางสมาธิามิเป็นชิกขาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใจอธินนาทานาเวรัมานีการรักของไม่มีเวนอันนี้พ้นไปแล้วชิกขาประทางสมาเป็นรวมกาเมสุเิตขาจาราเวรัมานีเว้นแล้วซึ่งล่วงเราเมิด ในสิทธิของท่านผู้อื่นในทางการ ม, มารมมุสาวาตเว้นแล้วเวรมานีชิค้าประทางสมาสยางเป็นชิค้าบทหนึ่งหนึ่งชูราเมอะไรเงี้ยเขาทำไม้ทมําไมเขาทําให้คนบ้ากินใคาไม่เป็นบ้าไม่กินหรอกพขากินแล้วเข า, าเมาเป็นบ้านะ่นนี่เป็นเครื่องทดสอบคนบ้าใครเป็นบ้าก็ต้องกินละแต่ก่อนล็อูก็เป็นบ้าเหมือนกันจะลบหู่ยุดแล้วหายเป็นบ้าเลยตอนนี้ ทีนี่ศีลห้าประการถ้าเราแม้ร่วงละเมิดมันก็เป็นศีลตัวเดียวอยู่เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจหนักห น, นักห น, นักห น, นักเบื้องต้นก็หนัโมหนัโมก็แปลว่าขอน้อมน้อมเดชพราะผู้มีพระพากษ์พระหัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามขั้งต่อมาก็พุทธทางแสดงคชาเมตตังแสดงคชามเมตตั ง, งขังแสดงคชาเมตตุติตติว่าให้ถึงสามบท ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมื่นโลดเขาเอารุกระเบิดปรามาโนทำลายแต่จิตใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําลายไม่แตกจะตายติดกี่พบกี่ชาติก็ไม่หนีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจอะไรก็ทสงอยู่ที่ใจหมดนอกมาหาที่ใจจริงเจ้าก็โอปนัจะโกนอกเามาที่ใจนี่ต่อไปก็รักษาศีลนี่รักษาศีลก็คือรักษาตัวเองนั่นเอง รักษาจิตสายใจนั่นเองนโมทัสสะพัคกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพ n คกวาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพัคกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระังัจฉามิธมังสระนังัจฉามิสังังสระังัจฉามิ ทุติยมเพรพุทธังสราณังกัจจามิตทุติยมเพ a ธรรมังสราณังกัจจามิตทุติยมเพสังคังสรณังกัจจามิตตติยมเพรพุทธังสรณังกัจจามิตตติยมเพธรรมังสราณังกัจจามิ สตัมเพียส ง, งสร้างังสัจมิส น, นัํนลังมติตังป า, าิปาตาเวรัมณีชิกาปัตสมาริยามินาินนาตานาเวรมณีชิกาปัตัมาิยามิ ตาเมสเมชาจาระเวระมณีชิกาปังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเ ว, าาว ร, าระมณีสิกาปังสัมมาทิยามิสุราเ ม, ร, มชชระยัคมาชปปามาทัฏฐานาเวระมณีชิกาปังสัมมาทิยามิ ปิมานิปัญจสิกาปัธานิสีเลนสุขติญันติสีเลยนโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติญญนติตัตสมาสีลังวิโสทะเย่สีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาวศีลก็คือพระมีในเรานี่เองคนเราอยู่ร่วมกันสีลังโรเก อ, อนุตโรศีนเป็นเยี่ยมในโลก คือเป็นเยี่ยมในหัวใจเรานี่เองอธิโลเกศีละคุณโศีลมีอยู่ในโลกความสัตว์ก็มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าใช่ข้าเป็นนกคุ้มก็ระลึก ถ, ถึงศีลก็ระลึก ถ, ถึงความสัตว์ไฟป่าไหม้มานกคุ้มตัวเล็กๆตั้งศักดิสิทธอธิษฐานเปลวไฟทั้งหลายคุณอำนาจของศีลมีอยู่ในโลกความสัตว์มีอยู่ในโลก คือข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสัจจะ บ, บารามีไฟทั้งหลายจงหลีกไปสันติปคขาอาปัตนาสันติปาธาอาวันจานามาตาพิตาจกนิขันตาไปของข้าพเจ้าก็มีอยู่ขาของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่เดินไม่ได้มาตาพิตาของข้าพเจ้าไปหาอาหารเปลวไฟเอ๋ยจงบรรดนดานลมพัดไปทางอื่นซะ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 คำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ทำอันนี้เป็นของจริงหยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นนั่นนนนนเอา้าสิงไหนที่พระพุทธองค์มศาสตรามาได้สอนมาได้มีเลยคำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่มั่นคงถาวรในโลกทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าอางค์ไหนมาตัโรุก็มาสอนโลกนั่นเองจึงทรงพนามว่าโลกกับวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกสัทธาเทวมนุษยานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ท่าหลายนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นบางท่านก็บอกว่าภิกษุอย่าไปเป็นการบ้านการเมืองภิกษุไม่เป็นการบ้านการเมืองจะไปสอนผีตวัวไหนนั่นนั่นนั่นนั่นทีนี้คาสอนในระหว่างคาราวาส องค์ท่านก็สอนแล้วคารวะทำกับพระพิชิตสงูงด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวะธีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยเป็นคู่ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนด้วยให้อามิตสถานมีในนี้หมดนี่สมณครามได้รับบำุงชนี่แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณระบุด้วยสสารหก หนึ่งห้าเมตตามจรูญสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่มุกบอกทางสอนให้นั่นนั่นนั่นนั่นอบายมุกเป็นเหือกเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเหตุเครื่องชิบหายหกหนึ่งดื่มน้เาเมาสองเที่ยวกลางคืนมีมดอยู่ในนี้สามเที่ยวดูการเล่นฉี่เล่นการพนัน หพบคนชั่วเป็นมิจหกเกียรติข้านทํางานดื่มหน้ามอไม่โทษหกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาว่าสามเกิดโรคสีต้องติีเตียนห้าไม่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญาเที่ยวกลางคืนมีโทษหกเชื่อไม่รักษาตัวเชื่อไม่รักษาลูกเมียเชื่อไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความได้ความละหมามา ก, มาก เที่ยวดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดูหกรำที่ไหนก็ไปที่นั้นดีกสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นสะเพาที่ไหนไว้ี่ไปที่นั่นเตือเติอที่ไหนไปที่นั่นเที่ยวดูอย่าข้าศ์ทำงานมีโทษหกครบคนชอบเป็นมิตีโทษตามอุคคลที่ครบหกนำให้เป็นนักเลงหญิงนำให้เป็นนักเลงสุรานำให้เป็นคนลวงเขา้านำให้เป็นนักเลงเล่นการพานัน นำให้เป็นคนรวงเขาเรียกของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาเสงหน้านำให้เป็นหัวไม้เกี่ยคย้านทำงานงานไม่โทษหกมักให้อ้างว่าหนาวนักแล้วก็ไม่ทำงานงานมักใหอ้างว่าร้อนนักแล้วก็ไม่ทำงานงานมักใหอ้างว่าเวลาเข้าอยู่แล้วก็ไม่ทำงานงานมักให้อ้างว่าหนื่นักก็ไม่ทำงานงานมักให้อ้างว่าระหายนัก แล้วก็ไปทำงานไม่เคยอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วก็ไปทํางานผู้หวังเจริญด้วยพบกระซับจงเว้นเหตุเครื่องฉิบหายหประการนี้เสียพระพ่ถือสมาเนมันผ่านมาแล้วนี่สอนรารว่าโต้งโต้งพระพิสุพีว่าอะไรจะไปเล่นการพนันนั่นนั่นนันั่ น, น, นคำสอนใดในไตรโลกธาตุจะเสมอเหมือนคําสอนในพุทธศาสนาไม่มีดอกพี่น้องชาวพุทธเอ๋ยงั่นพวกเราขว้าวขอดผ่านว่าม่วงไปถือว่าเป็น เป็นของไม่ควรสนใจสะไปสนใจสิ่งอื่นคล้ายๆข้าไก่แก่สู้เข้าวสุก ข, ข้าวสารเม็ด เ, เดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆนั่นว่าแล้วก็ไปถือรัฐที่อื่นสักไม่ถือรัฐที่พระพุทธศาสนาะนั่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้นั่นนั่นนั่นอันเดียวกัน เอ้าตอนไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีอะไรยมุกมันเป็นมนุษย์วิบัติแล้วมันก็เป็นสวรรค์วิบัติเหมือนกันมันก็เป็นปรมวิบัติมันก็เป็นพระพานวิบัติเหมือนกันนั่นนั่นนี่อยู่ในนี่นี่นนนนนถ้าถ้าถ้ามาอย่างนั้นทําไมอาไม่เอาไปเผาไฟจริงสักนอนเฝ้าอยู่ทาไมเหมือนในกรุงเทพเยอะมากนั่นี่ตรงนั้นกันนี่นี่นี่นี่นี่ สำหรับนักทำนักทำาตีโทเอกสอบนักทำโทรก็ต้องสอบนักทำตีด้วยสอบนักทำเอกก็ต้องสอบนักทำตีทำโทรด้วยเพราะบางทีเขาร้อนมาถามเหมือนกันงานสิงไหนทีน่มันเป็นประโยชน์แก่พวกเราพระพุทธศาสนาเอามาสอนหมดแล้วพระพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าร่วงไปแล้วต้องร้อยโกรธพระองค์ก็มาสอนคำเดียวกัน ไม่มาคัดค้านพรบกันเลยไม่ได้แต่งพรบกันเลยเพราะเป็นธรรมมาธิปไตจัยพเพลยธรรมมาธิปไตยของพระพุทธศาสนาอัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยความเป็นความเห็นโลกเป็นใหญ่ธรรมมาธิปไตยเห็นธรรมเป็นใหญ่กฎหมายกค ห, หมู่กคตรพักโคตพวกตั้งขึ้นมามองดูฟังสอนพระพุทธศาสนาไปไม่รอดพระพุทธศาสนาะเป็นดิ่งของชาวโลก ระดับน้ําก็เป็นดิ่งของชาวโลกถ้า่อซ้าจะทิ้งระดับน้ําไม่ได้จะทิ้งเครื่องวัดเครื่องตวงไม่ได้ไปไม่รอดเช่นเสาพราตั้งเสามันตรงไปทางไหนบ้างเสาเอียงไปทางไหนถ้าไม่เอาดิ่งมาก็เฉียงกันวันยังค่ำตั้งเสาไม่ได้ถ้าตั้งเสาโต้งเช่นเสาสะพานอย่างนี้สมมติว่าจะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนี้ ก็ทิ้งดิงลงมาวัดจากดิงไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นข้างบนวัดไปทางทิศตะวันตกเท่านั้นสมมติวัดทางใต้ไปทางนี้เท่านั้นทางนี้ทา่านี้แล้วก็ทิ้งชุนดิงลงมาในสุงกลางที่นี่มันก็โต้งเสมอกันตรงกลางเสมอกัน่นั่งพ้อยจัดดงทำอะไรไม่มองดูดิงไม่ได้ทำอะไรไม่มองดูคาสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกัน นั่นนั่นั่นัน่ น, น, น, น, นเหตุฉะนั้นเมื่อพูดไปทใด ย, ยิ่งเห็นคุณค่าพระพุทธศาสนามากผู้เป็นผู้ใหญ่พระบรมศาสนาก็สอนพระบมวิหารสี่หนึ่งเมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขสองกรุณาความสงสารที่แต่ช่วยคนทุกข์สามมุทิตาความพอยในดีเมื่อผืนได้ดีสี่อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผื่นถึงความในบัดเมตตาก็เมตตาแล้ว กรุณาก็กรุณาแล้วตอนไหนทาถูกก็มุขตาความพออย่างดีแล้วเมื่อทําผิดจนเกินไปก็ไม่เหลือวิสัยที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็อุบเบกขาตามกรรมของสัตว์หนอทางด้นสี่อย่างนี่เป็นเครื่องอยู่ของพวกใหญ่เพราะว่าเรามาศาสตาเป็นศาสตาเอกในโลกโลกตัทธจริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกยาตัทธจริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่พญาศหรือโดยสานเป็นพญาศ พุทธะจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พยาศหรือโดยฐานเป็นพยาศโลตตะจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลกตอนไหนเพระบรมศาสดาไม่สอนไม่มีเลยนักนักนักนักดาราศาสตร์นักไะรศาสตร์ท่านก็เอามาสอนแต่ไม่สอนมากเพราะมันไม่เป็นนิยามนิยธรํานําสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารเราจึงไม่ได้เอามาสอนเราเอามาสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาอินทร์ภูม เท่ที่ควรสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่เอามาสอนเลยเหตุฉะนั้นองค์ท่านจึงไปกําไบปดูลายมาพิสูจน์ทางหลายใบปดูลายอยู่ในมือของตถาคตนี้จับอยู่ที่ชมพูเทวีทั่วทั้งใจรกชาติอันไหนมันมากอยู่ชมพูทวีมากพระเจ้าเออที่เรามากํรมาในพระหัตขวานี่เราทําไมจึงกรรมมาในพระหัตถขวาเพราะเราเคารับคาเทศของเราเรากรรมมาในพระหัตขวา มันมีน้อยเหลือเกินสันใดก็ดีเราเอามาสอนพวกท่นทังหลาย 45, 000, 8, 000, 40, 000, สี่เจ็ห้าพันษาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เองแล้วก็มีเท่ากำรร ม, มือเท่านี้เองเพราะสิ่งอื่นๆไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้อยู่แต่เราไม่เอามาสอนเอา้าในระหว่างผัวกับเมียท่านก็สอนด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ ด้วยให้เครื่องแต่งตัวนั่นนั่นนั่นนั่นภรรยาได้รับความลงชะนีแล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าหนึ่งจัดการงานมีส อ, นสองสองเคราะห์คนเชียงสองสงเคราะห์คนข้างเชียงของผัวดีสาให้ประพฤติล่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ก็อห้าขยันไม่เกียจข้านในกิจการทั้งปวงนั้นนั้นนั้นนั่นตอนไหนพระพรทมาศาสตรามาสอนสอนว่าวก็สอนลุกขึ้นทําการงานก่อนนาย เลือกกอนการงานที่ลัางนายถือเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้ดีขึ้นนำคุณของนายไปสระเสนุนในที่นั้นๆถือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปรักจอบรักเสียมไปนักนั้ น, น, นทีนี้สำหรับนายทีนี่จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังข้อสองด้วยให้อาหารในรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเก็บไข้สี่น้อยแก่ของในมีรถแปรปรหลาดให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยในสมัยที่พักเที่ยงก็ดี วันคิดวันเสารว์วันศาก็ดีนั่นบอกไป ห, หมดที่ไหนพระบรมสาราาาีรไม่บอกไม่มีตระกูลอันร่างขั้งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานศีลมีในเรื่อง ม, มีมุดไงนกักวิวากมีในเรื่มีมดหนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บุรณะพัสดุชี่ทำคร า, มาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือวุรุษทุสินให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดารงตระกูลควรเว่นสถานศีประการนี่เหียนนั่นนั่น บอกเรามาศาสตรานั้นข้อสี่เป็นข้อสําคัญมากเราได้คนทุศีนมาครอบครองเรือนมันเอาไปเล่นเลขเล่นขาเล่นบัตรเล่นเบอร์หมดจะมีเงินกี่ล้านก็ไม่อยู่นั่นๆๆ่นนในระหว่างวิดามานาท่านก็สอนท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อทําจิตธุระของท่านดํารงวงตระกูลเราพึตงตอนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญที่ให้ท่านนั่นๆๆๆๆๆั่ ส่วนท่านทํากับเราหนึ่งข้ามนาคาทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาที่เลขาเมียที่สมควรให้เห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยนั่นนั่นนั่นพราะบรมศาสดาสอนหมดนั่นที่ไหนไม่สอนอะไรเลยพบมิตรเพราะบรมศาสดาก็สอนนั่นนั่นย่นลงมาหาการปกครองอีกหนึงเราจะปกครองกันวิธีไหนพวกเรา เราจะพักพคลองกันด้วยวิธีไหนก็ mm. oh, พระบรมศ า, ศาสดาบอกแล้วเนี่ทําเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อาบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อาบาปแต่ละท่านแต่ละคนแล้วโลกก็พกครองกันไม่อยู่เพราะด้านกิเลสไม่ลดละท่านพูดอย่างนั้นวัต <laughs> ถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใตอู่ของอนิจจังวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ชอบมันจึงเจริญว่า พอเป็นเครื่องปฏิบัติธรรมะวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่เจริญ น, นะพอโลมาศาสตร์สอนวมดแล้วที่นี่มันมีอีกเลยกรรมุกมนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครจะเก่งกาดอำ น, นาจจักเพียงใดก็ตามกรรมและผลของกรรมย่อมตามสนอง ตองขาดดยู่ทุกยุคทุกสมัยของจิตของใจของกาลกเทศะด้วยนี่สำคัญมากอันนี้คดีดำคดีแรงในโรงในศาลมันจบกกเสียนเป็นกรรมและผลของกรรมที่เราและท่านผู้อื่นสร้างไว้แล้วมันก็ตามสนองอยู่ไม่มีการมานังคืนอาตมาเห็นเลยอายุอายุเช็ดห้าปี ไปยิงนกเขาทองด้วยลูกกล้องเปลาปุ๊ดขึ้นไปถูกถูกี่ตกก็แ ก, ก๊ตกตแก๊กลงมา ก, ก็ผอกออกแล้วก็แล้ว ก, ก็สองคำมันใจขาดเลยมึงเถอะมึงเถอะมันคงจะว่ากันนั่นแหละอยู่มาอยู่มาในระหว่างห้าปีหลังระเบิดขึ้นที่นี่เลยปวดเกือบไปโรงพยาบาลไม่ทันที่ยิงนกเขา่ย เออเราก็เนื้เขียนอันนั้นหลังของลุงปู่นี่เคยด้ขึ้นบนหลังควายเอาเชือกควาดหลังมันเนี้ยนี่เกิดคันขึ้นแล้วรักษาไม่หายแล้วเคยได้เอาปลาตัวเล็กๆมาขนาดนี้มาเกาะหลังของมันเกาะหลังของมันแล้วมาถึงไปทำลูกเหือกปลาตัวเท่านี้มากินนี่แม่ครบว่าอายุสิ้าปีหลังนี่ คันไม่หายเลยเอายาอะไรมาเสร็จก็ไม่หายนี่ผลของกรรมนี่เคยเรียกตอนโคเขาเนี่ยตอนโคจับช่วยเขาเนี่ยจับช่วยเขาเฉื่อยไปตอนตัวเดียวเท่านั้นลหละแล้วก็ไปพูดเลื่อยหยันมันไอ้ชีโร่ไอ้ชีโร่มึงอย่าล้อไอ้ชีโร่ก็เอาลูกอันทะบมึงมาทับซะถ้าอย่างนั้นมึงฆนอมึงไปชนเขา กตามมารมของเมืองหนักต้องทับลูกอันทะเมืองซักทีนี้เวลามาทับลูกอันทะมันมากรออ๊อ๊ะโ อ, โ อ, โอเราก็ถือเป็นของสนกพูดร่อมันเลยสองพันห้าร้อยยีิบสองมันก็ตามมาถึงหลวงปู่ส <c oughs> ัจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่เลยไม่ยอมผ่าตัดก็ทิ้ต่อมันสักเอาเข็มตัดหัวงูใส่ไว้นไงนี่นเข็มตัดหัวงูใส่ไว้ ผมขัดขหัวงูก็ซื้อมาจากกรุงเทพเขามาเอามาจากประเทศอินเดียมาขัดด้วยนะแต่ 2,522 ไม่ยอมไม่ผ่าไม่ตัดเขาหลอกไปโรงพยาบาลชิมิทิเวศแล้วแต่เขาไม่ผ่าไม่ตัดกลับคืนมาสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดกรรมและผล ก, ก็กรรมทาอั น, นไหนไหวเห็นอันนั่นลูกหลานเอ๋ยวล้องปู่มั่นร้องปู่มั่นทํามากให้ร้วงปู่มั่น โนผมเพราะมาไม่มีนั่นอันนี้ส์ของมานะมาเนี่ยอันนี้สองของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีดอกหรือของทัศนผู้อื่นไม่มีดอกหรือมีอยู่แต่เรามีที่บวกไม่อย่างนั้นหอกแต่เรามีที่บวกมีอยู่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพุทธบริษัทไม่มีหรือก็มีอยู่แต่มีที่บวกนะผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจนี่แหละนะ กนะารปกครองก็บอกแล้วทำเป็นโลกกระบาลคุ้มครองโลกก็มีสูตรสองข้อเท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์โรคระเบิดปรมาณูท่านบอกว่าความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปมีในหัวใจแต่ละท่านละคนเท่านั้นมันจะปกครองโรคได้ถ้าพูดอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ปกครองกันไม่อยู่ทําความผิดในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับทุกวันนี้เราก็แผลไม่ตาอยู่ ทั่วทั้งไตโลกระแทกเลยถ้าเราไม่แผ้ไม่ตาเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ไปไม่ยเป็นโยนี้สี่ทุกท่วนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสง์อยู่ทุกเมื่อถืนเรานึกอยู่เสมอเพราะจิตใจของเราจะมาไปขอดเวรขอดไัยครับใครเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามมันเป็นเรื่องของเราจะให้เหมือนฝนตกลงมาใครจะเอาหรือไม่เอาก็ตามเวลามันตกมันก็ตกลงมา ตกลงมาให้แผ่นดินทุ่มสันใดก็ดีเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็าตามเป็นหน้าที่ของเราจะให้นะโยนี่สี่ทุกท่นหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกหน้าเถิดถ้าสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันไม่ถอยหลังมันสุขเก้าวหน้าถ้าสุขในอามิธโลกีมันถอยหลังสุขในพุทธธรรมสงฆ์ม่ถอยหลังผู้ไม่เชื่อใจอยากล่วงละเมิดศีลห้าผู้ไม่เชื่อายอยากล่วงอบายยมุต ผู้ไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใดผู้ไม่เสียดายอยากจะถือรักที่อื่นศาธราระอื่นผู้นั้นไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นรลยเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวเพือเป็นอาหารค่าขายนำ้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบนั่นนั่นการค่าขายก็สั่งสอนชาวโลกแล้วสมบัติของชาวโลกห้าประการ หนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อพระพุทธธรมรมะสงฆ์ลงที่ดวงใจสองไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเขตบุญ น, นอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติทประการและเว้นจากสิบัติทประการซึ่งตรงกันข้ามนั่นพระบรมมาารรคาเอาตั้งแต่เนื้อมาให้ไม่มีกระดูกเลย ว่เราขี้โอไม่อยากเอาเป็นส่วนมากแต่ก็ผู้ เ, เอาก็มีอยู่ขี้โอมีแต่ของดีทางนั้ามันพวกเราท่านให้เต็มแล้วสัพทังสัพยันช่างมังเกวาราปาริปุลังปฏิสุทธังสมุจางยังประกาศเสสิเราบริบูรณ์แล้วเราประกาศแล้วคําสอนของเราแต่ละบทละบาทนั่นเองจะเป็นที่พึ่งของชาวโลกนั่นนั่นนั่นพระบรมสาสดานั่นนั่น คำสอนจะมีขีราล่าตัวหารลงมาที่ใจทงชาติตัวเหมือนกันไอท้ทแท้ชาติไม่อยู่ที่ตรงมั็นคาเตือนที้เะใหชาติอยู่แต่ละท่านแต่ละคนนี่เองนะกนักหักทางโค้งเขาเขียนบอกว่าอันตรายพอดีหรือทางโค้งพอดีเขาก็บอกเตือนเราอันตรายอย่างนี้อันตรายไม่ได้อยู่ในตัวอันตรายก็อยู่ที่จิตที่ใจของเราที่ทําไม่ดีนะ บาปก็ตบอธระอาตบอตะกดไม่อยู่ที่อื่นก็อยู่ที่ใจของเราถ้าเราทำเลยบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําเมียไม่มีแกหัวไมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสตผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทํานะว่าคนก็บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ไล่ผีให้ด้วยเออไล่ผีก็ไล่ออกจากใจของพวกลูกหลานนั่นเองพวกลูกหลานไม่ถือผีผีก็ไม่มี ผีก็ผีที่จิตที่ใจของรูปน้นหลา น, นั่นเองไลผีก็ต้องไล่ออกจากใจะแล้วเอาพระพุทธธรรมประงสงค์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นได้คาสอนดีแล้วเอา้าถ้าเราในพระพุทธศาสนาบางการณีพระพุทธศาสนาอธิกรเกิดขึ้นในขั้งพุทธการสิ่งนี้เป็นคมสิ่งนี้ไม่เป็นคำนี่คู่หนึ่ง สิ่งนี้เป็นวินัยสิ่งนี้ไม่เป็นวินัยนี่คู่หนึ่งสิ่งนี้พระธถามคตเจ้าทรงมันหยัดไว้สิ่งนี้พระธรรคุตเจ้ามาในลงทรงมันหยัดไว้นี่คู่หนึ่งสิ่งนี้พระธถาคุตเจ้าทรงมันประพฤติมาสิ่งนี้พระธรรคตเจ้ามาในลงประพฤติมานี่คู่หนึ่งสิ่งนี้เป็นอาบัตเบาสิ่งนี้เป็นอาบัตหนักสิ่งนี้เป็นอาบัตมีส่วนเหลือสิ่งนี้เป็นอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้สิ่งนี้เป็นอาบัตยามคายสิ่งนี้เป็นหาเป็นอาบัติหยาบคายไม่มีเก้าคู่ตามบาลี แก่ไข่ก้าคู่มีสิบปดยาแต่ละคู่ละคู่เปิดทุ่มเถียงเกียงงอนกันขึ้นแล้วก็บอกว่าอธิกรนี้ว่าเกิดขึ้นไม่รีบระงับเสียจะทําให้เกิดนานาสังราชนานานิกายพระบรมศาสน า, ศ า, ศาก็รีบระงับเสียนะความที่สองสภากาตริวิธีนับอธิกรทั้งสี่นั้นในที่พรอมหน้าสง์ในที่พรอมหน้าบุคคลในที่พรอมหน้าวัตถุในที่พรอมหน้าทำเรียกสำมกขวิในความที่สองสปภากาศริ้าสมุติแก่พระทหารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจารย์ใครโสดท่านด้วยสติวิไน ความปรับอาบัตตามะเจญญาของจำเลยเพื่อรับเป็นสัตว์เรียกปฏิญญาจาระนาั้นะความตัดสินเอาตามคำของคนมากเกินประมาณเรียกเยปุยยะเาความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัดสปาปุยยกาความให้ปณีปฏินอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินนวัตธารากายวิ น, นัยสิขาบทนอกนี้ที่ยกชื่อขึ้นเป็นอวัตถุนใจบ้างทุกบดบ้างทุกภาษีบ้างเป็นสิขาบทที่มาในมาในพระปาทิโมกขฎหมายขดหมู่กดพักขด พ, พวกของเราก็ออกไปจากพระ ด้านในของพระนี่เองถ้าจริงไหนมันไม่ถูกมันก็ไม่เป็นธรรมเหตุฉะนั้นจึงได้ตัดเข้าและถอนออกอยู่เสมอเสมอเพราะของพวกเรามันยังไม่คงที่เหมือนพระพุทธศาสนาะสอนได้ววาไหนสอนโลกพระบรมศาสนาแก้ไขได้เรียกสติคิดขาแก้ไขไม่ได้เรียกอัตเตยคิดขาจําเลยเป็นพระทหารเป็นผู้มีสติภัยบูรไม่เป็นหน้าที่ของจําเลยที่จำจะทําการละเมิดดังที่โจทย์กล่าวหา ส่วนกรร ม, มาวาจารการว่าให้สติวินัยแล้วยกฟ้องของตทวจเสียนะพระวินัยของพระมีอยู่ตัช ป, ปาพิยชิกากรรมกรรเพิ่มโทษแก่พิสุผู้ประพฤติรามกให้การกลับไปกลับมาพูดทารักหลายข้ขขอก็เกินที่ศูกสักสามพูดมุษสาถึงหน้าปฏิ ญ, ญาแล้วปฏิเสธปฏิเสธแล้วปฏิ ญ, ญาแล้วเพิ่มโทษักถ้าเป็นปลายิตติก็ต้องเพิ่มหลายข้อฮักดอย่างพระวินัยของพระมันมีหมดแล้วผู้โจทย์ต้องมันโจทย์ เป็นผู้โจทย์ที่มีมูลรักแห่งมูลนั่นสามหลางด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วยมีผู้บอกและเชื่อว่าตามเป็นจริงด้วยสังสงสัยดังเกียจข้อประพฤติไม่ดีเรียกว่าโจทย์มีมูลนในทางพระเวไนยนะเนเองวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงพระมาฟ้องกันสารพัดข้าพระอง ค, พองค์พระองค์ชําระสาสางอยู่มาแล้วล่ะน่าสงสารพระองค์จริงๆนะมีไว้หมดแล้วในทางพุทธศาสตร์นะของเราพวกเรามีแต่ลงมือ ถ้าเป็นอาหารก็หามาไม่บูดไม่เน่าเลยมีแต่ล่างมือเปิบท่านั่นพวกเราใครจะเปิบได้เท่าไรก็ เ, เรื่องของพวกเรานนเมื่อตันจะสัพโรกัสมิงมาสัมภาวะเยอปริมานังขอเราอย่าได้มีเรืนี้ใครแต่ท่านผู้ใดเถิดพระบรมศาสราสอนอย่างนี้เราแผ่เมตตาอยู่ทุกวันทั่วทั้งไตโรโลกา จงเห็นโทษในเรื่องลบลาฆ่าฟันกันเสียเถิดจงบรรดลดานเคารพรักพระพุทธศาสนาเสียเถิดเราก็เพรเมตตามวิงวอนอยู่ทุกวันทุกวันน้องรักพี่ร่วมชีวีพี่ร่วมอทองเหมือนหนึ่งสองแขมติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยพงทูช่วยเพื่อนผีไม่หนีหนายรักกันอย่ามีราชีคายใครกาวนาเก็บแทนไวแ้แค่นืน เราหญิงชายชาติไทยใจองอาจต้องรักชาติว่าตื่นเตือนสีรักกษัตริย์เสียเมียนผินที่อยู่พระกมงคุเก้าเจ้าทีวีของชาวไทยแม่ศัตรูคิดร้ายทำลายชาติต้องอริราชต้องรบกูุ่อริราชจนจักใสมณฑกและมหิดคิดเชีงไทยไม่ยอมแพ้แต่ใครมูใครดีแม่จะตายวัยารให้รือชาติชูอำนาจเกียดรติท่าเจ้ากรุงศรี สงวนธงาชาติไทยไหวจงดีอย่าให้มีวันเคลื่อนเลื่อนลงมาไทยรักไทยใจเดียวกลมเกลียวอยู่จะเชิดชูเมืองชาติศาสนาจะลีนามสยามรักวัฒนาชั่วยเดินฟ้ายืนยงดำรงไทยกพวกเราก็ทำอจาางนั้นที่นั่นนั่นนั่นมันจะยากอะไรก็เราไป็นูดแต่งเอามันจะยากอะไรเรามีสิทธิ์แล้วเราใจถึงแล้วแต่ใจถึงในทางทำดี เราไม่อยากไลถึงทางทาชั่วทุกทุกท่านทุกทุ ก, ท ก, ทกคนสมานสามัคคีให้ดีอยู่จะสู้ศึกัตรูทั้งหลายได้ควรคิดจะจำนงจงใจเป็นไทยจนทิ้นทั่วดินฟ้านักนักนักรัชการที่หกปกครองด้วยสามคัคคีทาข้างพุทธกาลท่านไม่เหมือนพวกเราสิ่งไหนที่เอาตามคนหมู่มากมาตัดสิน คนหมู่มากนั่นจะเรียนเกี่ยวบพระไตรปิฎกก็ตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงนั่นแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วมันเลยเขตไปแล้วพวกเราเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปนั่นเองนันมันก็เลยเพยไปหมดเน่เอ้าสมมติดูกรดูชาวโลกเขามาพร้อมกันว่า คุณของเวลามานด า, มาไม่มีค่าทิ้งสะเราจะฆ่าไหมเราไม่ฆ่านะนั่นถ้าเอาต า, ออตามใจของคนหมู่มากเป็นประมาณไม่มีขอบเขตมันก็ไม่ถกูกมันปีนสินปีนทํามันปีนดิง่งแล้วก็ไม่เอานี่เราดีไว้แล้วนี่นี่นี่คนหมู่มากเป็นดินมากเป็นดิ่งมากเราก็ไม่เอานัดนั น, น, น, นก็มีขอบเขตเหมือ น, นกันคุณนวุฒโธไวยะวุฒโธมันมีอยู่ในพระพุทธศาสนา คุณของพระสวดาบาลคุณของพระธารคามีคุณของพระอนาคามีคุณของ พ, ออาาองพอระละหันก็มีเป็นลํำดับกันไปนะ่นนั่นนั่นอย่าิเสธกันไม่ได้นั่มีคุณค่ายึ่งด่อนกว่าตั้งเงินไบละร้อยบาทต้องเงินไใบละบาทก็มีคุณค่าต่างกันใช่ไหมนั่นนันนั่น่ น, นไม่พยุงก็ไม่ไผ่นําหนักเท่ากันไม่พยุงก็มีราคา ก, กว่าไม่สักก็เหมือนกันน่แค่วัดเถื่อนเยอะเล สมเด็จพระบรมราชาทรงพระอนุญาตให้ทําวิสุงคามที่มาแล้วทรัพย์ใดในใต้โลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะพระพุทธศาสนาไปรวมคิวกันอยู่ที่พระเนพานยอดพระพุทธศาสนาไปรวมคิวกันที่พระเนพานที่พระรหัสรวมคิวกันพระรหัสรพุทธศาสนาเบื้องต้นก็คือสุภเทปันโนคือพระสวัสดิ์วันเบื้องกลางสัคตาคามีนาคาเมื เบท้ายใคือพระรหันต์ไปรวมกันคิวกันอยู่ที่พระรหันต์วดนัดนัดนัดสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนสิ่งนั่นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งนั่นก็ต้องเป็นประโยชน์ตนสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทั้งตนทั้งผู้อื่นสิ่งนั่นถูกสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ตนแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งนั้นไม่ถูกในคําสอนของพุทธศาสนาเช่นปาณาทิบาทหรืออธินาก็มี <naval budget S 1> ทั้งประโยชน์แก่เราและท่านผู้อื่นด้วย ท่านผู้อื่นก็ไปในระ แ, ว, แวงเราเราก็ไปในมีเวณมิภัยกับท่านผู้อื่นนักนักโทษปานาทิบาตตายไปตกนรกออกจากนรกเป็นเปรตออกจากเปรต เ, รเกิดมาก็าตายโหงเขาฆ่าตายห้าร้อยฆ่าไปติดกันไม่ได้ตายในโรกชรามีแต่ตายโหงทางนั้นโทษของอัจฉินนาทานตายไปแล้วตกนรก ออกจากนรกไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เอารเป็นเป็ดเป็นสัตว์ที่เารออกจากสัตว์ที่เารไปแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์มีสิ่งของอันใดเขาก็ไม่เขารับมาที่มาต้นรักไทยรักถอนวิ่งลาววิ่งไทยไปหมดจักนั่นโทษของกาเมสวิจชายจา์ตายไปไปตกนรกหลายแสนปีออกจากนรกมาก็เป็นเป็ด หลายแสนปีออกจากเกรดมาทอดกามเมหรือพูด น, นี้เมื่อกี้นี่ออกจากเกรดมาก็มาเป็นสัตว์ทีรักษาออกจา ก, กสัตว์ที่ออรักษามาก็มาเป็นมนุษย์มีลูกมีหลานมีเมียมีผัวเขาก็อไปล่วงแล้วเมื่อกามเมารือพูดฉาจาย์หมดห้ารอยขาติดติดกันเขาไม่รำยำเกรงเลยอทีนี้ โทษของมุสาตายไปตกนรกพยายมอามีตัดลิ้นหลายพันปีก็ออกจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นเปรตออกจากเปรตมาก็เป็นคนปากเหม็นพูดอะไรไม่มีใครเชื่อมีแต่คนมาต้มมาตุนสารพัดโทษสุราทีนี้ โทษกรมเอสมิตชายังอีกมาเป็นมนุษย์ก็เป็นกระเอยอีกด้วยนักนั่นทีนี้โทษโชราทีนี้ตาไปกระตุกนรกออกจากนรกมาก็เป็นเปรตออกจากเปรตมาถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ผีว่าเพราะเหลือเศษกรรมอันนั้นถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์บ้าใบเสียจเดียดผิดมนุษย์มาแต่กําเนิดนั่นหนัก มันมีอย่างนั้นคำสอนพระพุทธศาสนาลึกซึ่งสักเพียงไหนนั้นนั้นเราเสียเปรียบเขาเราเราวันเราก็น่าจะน่าจะหยุดราชการวันพระเราไปเอาวันชิดของชาวโลกเขาถือศาสตาอื่นมาหยุดมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะหยุดวันขึ้น เจ็ดค่ำแปดค่ำแรมเจ็ดค่ำแปดค่ำเผื่อจะได้เข้ามาหาพระเจ้าพระสงฆ์เราไปหยุดวันอาทิตย์กับเขาทีนี้ชาวโลกที่เอาบอกว่าความบาตความบาตเอาไปจากไหนก็เอาไปจากศาสนาพุทธวิธีความบาตรชาวโลกเขาก็เอาไปพูดกันเหมือนกันข้ามบาตความบมาตแต่เขาไม่ได้มีบาตทําไมเขาจึงเอาไปก็เอาไปจากพระพุทธศาสนาของเรา แต่เราถือตามวันทิตวันเสาร์เขาเขาก็เอาวิธีความบาดเราไปเหมือนกันนั่นใน <c oughs> คนละอันไม่เสียเปรียบนะวิธีความบาดมันมีอย่างนี้ขนขวายไม่ได้เพื่ออยู่แก่พิสูจทั้งหลายด่าว่าเปรียบเปยแก่พิสูจทั้งหลายยกดงให้ภิสูจทั้งหลายแตกกันติเตียนพระพุทธติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์แล้พระบรมศาสดาสวดความบาดเลยไม่ให้ไปรับบิณฑบาตไม่ให้รับไปรับอมิตรทานต่อเมื่อ ท่านเหล่านั้นประพฤต์ถูกต้องแล้วจึงงายบาปในขั้งพฤติการเป็น น, นะแต่พวกเราไม่ต้องตรวจความบาตดอกเพราะเขาไม่เรื่อมใสเขามาเองเขาตรวจความเขาเองปพราะครองด้วยสามัคคีธรรมนั่นเองวันนี้ด้วยประชาที่ปไต่ด้วยธรรมาที่ปไตยนั่นเองมีทําเป็นใหญ่ ทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโลงได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่คุ้มหนอพระเวนสนองเวนภัยสนองภัยภัยจะระงับได้ก็พระไม่สนองภัยเวนจะสนะจะระงับได้ก็พระไม่สนองเวนมีข้อนี้สำคัญมากผู้เจริญเมตตานั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดี เดินอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นเอตังสติงอทิเทยะพรรมเมตังวิหารังนิธามาหทิฏฐิจจะอนุปธรรมสีลาวะทัดเจนะสัมปันโนเป็นผู้เห็นชอบแล้วกาเมสุยในยะเยทางนาิชาตุก็เผยอย่างเพรนเรีทีทย่อมไม่มาเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียวย่อมไปเกิดในชั้นอวิหาอัตตาสุสัสสัสสีอการิตกาแล้วปาริณิพานในภพนั่นเอง หรือสั้นชั้นสุดท้าว่านักผู้เจริญเมตตาไม่ได้ตายด้วยเครี้ยวไม่ได้ตายด้วยงาไม่ได้ตายด้วยไฟเผาไม่ได้ตายด้วยตายโหงย่อมชิ้นลมปาณไปด้วยโรคชรลาล้วนๆสถาบันลมศรราสตร์สอนไว้แล้วผู้เกิดมามีทรัพย์สมบัติมัดมากในทางที่ชอบเพราะแต่ชาติก่อนก็ดีเคยยินดีนในการให้ทาน ผู้เกิดมาเป็นคนทุกข์คนจนหาสมพอได้ก็ไม่ได้หาสมพอมีก็ไม่มีเพราะไม่ยินดีในทานวัดผู้เกิดมามีศีลไในบริสุทธิ์พวกคัสมบัติก็ไม่สมบูรณ์พระบรมศารีาผู้เกิดมาในตระกูลตจำเพราะแต่ก่อนไม่เคารพครูบาอาจารย์จึงได้เกิดตระกูลจำไม่ให้หนทางแก่ผู้เท่าผู้แ ก, ก่ตีเสมอหมดลบตนชมท่าน คนผู้นั้นก็เกิดตระกูลต่ําผู้อจะเกิดตระกูลสูงก็ตรงกันข้ามเป็นผู้เคารพ น, นอบนอบอ่อนนอ้อมเป็นผู้ไม่ถือตัวเป็นผู้ไม่อ้ออง า, า, างการมั่งการทั้นที่เกิดตระกูลสูงก็สมเด็จพระบรม ร, ราชาเพระแต่ชาดก่อนๆ อ, องค์ท่านเคารพมากเอาความเคารพออกหน้าเหตุฉะนั้นจึงเกิดตระกูลสูงนั่นท่านองค์ท่านพูดออกมาก็มีสัตมีคม ไม่เหมือนพวกเรานะักเพราะอาเนียสงนั่นตัวบุญเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นละตัวบุญนะักความสกรปรกมีจึงได้อาบน้ําถ้าไม่อาบน้าก็อยู่ได้ท่านไม่ได้ความสกรปรกของใจมีจึงได้ปฏิบัติสินธรรมนั่นหะนะักนะักนะักนะักจะเอาหน้ามาล้างมันก็ล้างไม่ได้ล้างใจต้องเอาสินธรรมปลาปฏิบัติล้างในทางพุทธศาสนาะเราทําอะไรอะไรเนี้เรา ถ้าไมเป็นธรรมล้วก็ขอความเป็นธรมมนธรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากจากไหนจากศาสนาใดบางศาสนาก็บัญญัติบาปบัญญัติบุญไม่ถูกกันเชียแล้วพราะพุทธศาสนาบัญญัติบาปบุญถูกกว่าเพื่อนใดใดทั้งสิ้นกว่าศาสนาใดใทั้งสิ้นนั่นเพราะบางศาสนาก็บัญญัติบาปบุญแย้งกันค้า่าขอความเป็นธรรมจะขอความจากศาสนาไหนก็ต้องของความาจากศาสนาพุทธสินั่นเพราะพุทธเจ้าเี่ะ บรรติบารมณ์คนโทษถู้พระพุทธเจ้าไม่เหมือนอันอื่นทุกๆกพระองค์มาบัญญัญ <ao S 1> ติอันเดียวกันหมดศรัทธาเทวมนุษย์สารังเป็นผู้สอนของเทวดานมนุษย์ทั้งหลายสูปิญญโนภกาโต้สร้าสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพระูพุทธเจ้านั้นคือพระโสดาพระเทมาพระโสดาพระเทผลชุปฏิญญโนภกาโต้สร้างสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพระูมพระุทธเจ้านั้นคือพระอนา คือสักคาสายมัคปักคาสายผลยายะปฏิจันโนภะกวัโตศร้าสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพระุองค์เนียพระภาคเจ้านั้นคือพระอนาคามิมัคพระอนาคามิผลสาวิจิตปัจจันโนภะกวโตเศ้าสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพระุองค์เนี่ยภาคเจ้านั้นคือพระนะครับมรรมพระนะับธผลเอสาภะวัตโตาสร้างโคมีนสาวกของพระองค์เนภาคเจ้าอหุเนโยปาหเนโยทัคขิเนโยอัญชดีกนโย อนุตารังคุนักเทตังโลกัสสาติเป็นคนควรคำนับเป็นควรของบูชาเป็นควรของรับทักกีณาทานเป็นของที่ควรกราบไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดาษเป็นเขตบุญของโลกไม่มีเขตบุญบุญอื่นยิ่งไปกว่าอนุตารังคนนักเทตังโลกัสสาติเขตบุญของโลกคืออะไร คือพระอริยสงฆ์พระพุทธศาสนานี่เองเป็นเขตบุญของโลกมันมีเขตบุญยิ่อื่นยังไปกว่านั่นทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาของโลกเลยคําสอนใดใดในใต้โลกธาตุอยู่ใต้อํานาจคําสอนคําสอนพระพุทธศาสนานหมดถ้าเราไม่สงสัยว่าคําสอนใดๆถ้าเราไม่สงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนานบกคร่องเราก็ลงเอ่ยเท่านั้น ถ้าเรายัางสงสัยว่าคําสอนอันอื่นมันดีกว่าพระพุทธศาสนาอยู่อยู่แล้วการลงพระพุทธศาสนาเราก็ลงไม่เสด็จนักนักหนักนนักเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นเองสอนให้มีอิทธิพลเองเห็นเองว่าได้คมเห็นถ้าคมเห็นเดี๋ยวมันก็ขบถืนท่านพูดอย่างว่าท่านพูดอย่างนั้นให้มันเห็นเองให้มีสิทธิ์เองเกลือมันเข้มไหมพราะเราม า, าศาสนาเออเธอจงเช็บดูสิเธอเช็คเลือดูด โรคทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์ทำบุญแล้วทำดีแล้วมาอยู่ที่ดวงใจทำชั่วแล้วก็มาอยู่ที่ดวงใจไม่ได้ต้อนเข้าคอกยากเหมือนโคและกระเบอือและมามันมาเองมันนั่นนนั น, นทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจจะทำให้ดินฟ้าอากาศมันก็ไม่รับนันะมันก็ไหลเข้ามาหาใจนี่แหละใจเอย๋ยใจเอย๋ย เธอได้เคยทำดีไหมถ้าใจเคยทำดีใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่ได้เคยทำดีใจก็ตอบใจไม่ได้เหตุนั้นจึงว่านัติโรเกละโหนามะความรับไม่มีในโลกนักนักเราทาอะไรเราก็รู้อยู่เราสงสัยอะไรเราก็รู้อยู่เราไม่สงสัยอะไรเราก็รู้อยู่ไม่มีใครรู้เท่าเราเหตุนั้นพระพรทมศาสนาจึงให้เราเป็นผู้มีสิทธิ์ เราเป็นนกเป็นปลาก็จงเป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดยาไปติดเว็ดติดแล้วที่นายผ่านปุยล่อไว้นั่นนั่นถูกไห ม, อมสองชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วอะสมควรแล้วยังยังทีนี้สงสัยอะไรก็ถามกันอีกไว้พูดคนเดียวมันเบือ่อ เพราะมันไม่ถูกจุดพูดคนเดียวมันเบื่อไม่ถูกจุดนั่นนั่นถูกไหม